เวลาพวกเราขอพอรพรหนึ่งที่มักอยากจะได้กันก็คือขอให้มีอายุยืนหรือว่าให้ไพยรอดหน่อยก็อายุมั่นขวัญยืนนนี้ยืนแค่ไหนนะหกสิบปีนี่พอไหมไม่พอนะแปดสิบหรือไม่ก็ร้อยหนึ่งเลยใครที่อยากอายุยืนถึงร้อยนี่ก็ ฟังเรื่องนี้ดูนะเอาเท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบเอ า, าเอเมักน้อยอ <c oughs> มียายของเพื่อนนะพอถึงวันเกิดนะก็มีลูกหลานมาไวพร ขอให้ยายเป็นอายุยืนเป็นล่มโพล่มใส่ของลูกหลานไปนานๆยายบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วหลานเอ๋ยเพอรับพรให้อายุยืนมานานจนกระทั่งอายุเก้าสิบถึงรู้ว่าพลาดไปนะมันทุกข์เหลือเกินนะยิ่งเลยจากนี้ไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ไม่ไหวแล้วนะไม่ขอรับพรของลูกหลานแล้ว คนที่มีอายุยืนถึงเก้าสิบนี่เพิ่นก็คิดว่าพอแล้วละ่ะเพราะว่าอายุมากกว่านั้นเลยกว่านั้นไปก็มีแต่ทุกอย่างเดียวนะอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องเมื่อกี้ที่เล่านี่ลูกหลานมาขอให้ยายอายุยืน แต่ว่าเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของเด็กนะอายุสิบขวบเป็นน้องชายของพระสารีบุตรชื่อเลวัตตเลวตตานี่เป็นน้องคนสุดท้องพี่ห้าคนนี่ <c oughs> ไปบวชหมดเลยโดยการนาของพระสารีบุตรแม่ก็เสียใจมาก เพราะว่าไม่ได้มีศรัทธานในพุทธศาสนาเห็นลูกไปบิณฑบาตเหมือนขอทานก็รู้สึกว่ามันเสียชื่อเสียงวงตระกูลที่เป็นพรามนะเป็นพรามชั้นสูงด้วยนะมาเห็นลูกของตัวนี้ไปนุ่งผ้าหอ่อศพโกนหัวไปบิณฑบาตขออาหารนี่แม่ก็เสียใจมาก ก็เลยตั้งใจว่าจะไม่ให้ลูกคนสุดท้องนี่ไปทําอย่างพี่ๆก็เลยจับบวชซะเลยให้จับให้จับจบวชจับแต่งงานซะเลยตั้งแต่อายุสิบขวบนะซึ่งที่จริงก็ไม่ได้อ่าไม่ได้แปลกอะไรเพราะสมัยก่อนก็แต่งงานกันอย่างนี้แหละเลือกคลุมถุงชนวันที่แต่งงานก็มีพิธีนะก็มีญาติผู้ใหญ่มารดน้ําแล้วก็ให้พร แล้วก็มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอายุ120ปีก็มาให้พรว่าขอให้เลวตะแล้วก็ภรรยามีอายุยืนนะอายุยืนเป็นร้อยปีเลยเลวตานี่ฟังแล้วก็มองไปที่คนให้พร เป็นคนแก่หลังโกงนะฟันฟางก็หักหมดแล้วผิวหนังก็เหี่ยวย่นก็นึกว่านึกต่อไปว่าถ้าตัวเองนี่มีอายุยืนอย่างนั้นมันก็คงจะเป็นทุกข์มากเลยแล้วก็นึกต่อไปว่าถ้าภรรยาตัวเองเนี่ยนะอายุยืนแล้วก็มีสังขารร่างกายแบบนั้นก็ มันก็ไม่น่าปรารถนาเท่าไหร่ก็เกิดความสังเวชขึ้นมานะพรที่ได้รับนแทนที่เลวตาจะมองว่าเป็นของดีนะกลับมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะถ้ามีอายุยืนแบบนั้นนี้ฉันแย่แน่แน่ก็เลยคิดแต่ว่าทำยังไงนะจะ หนีจากการแต่งงานนี้ได้ตอนที่นั่งเกวียนนะเพื่อที่จะไปย้ายไปอยู่ส่วป็นบ้านของภรรยากลางทางนี่ก็เป็นป่านะเร ว, วัตตาก็อาศัยช่วงที่เขาพักหนีเข้าป่าไปเลยหนีเข้าป่าแล้วก็ ไปบวชนะกับพระรูปหนึ่งนะบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติมากในเวลาไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์เราก็ได้ชื่อว่าเป็นเอตทัตคะเอตทัตคะนี่คือเป็นเป็นเลิศในเรื่องการอยู่ป่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนซึ่ง แทนที่จะพอใจในพรที่ได้ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนกลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าโชคไม่ดีมากกว่าหาใช่เป็นโชคดีไม่อันนี้ก็เป็นแง่คิดของพวกเรานะหลายคนที่บอกว่าอยากจะมีอายุมั่นขวัญยืนทำบุญก็ขอให้มีอายุยืนมากๆนี่มันไม่ใช่ความสุขเสมอไปนะ มันอาจจะเป็นความทุกข์ก็ได้เพราะว่าคนที่อายุยืนอย่างนั้นแล้วนี่เขาก็ไม่อยากอยู่ต่อนะเพราะว่าสังขารนี่มันเสื่อมโทรมเหลือเกินที่จริงไม่ใช่เพาะอายุแล้วนะที่มันไม่ใช่เป็นของดีเสมอไปแม้กระทั่งพร อ, อย่างอื่นก็เหมือนกันนะ เช่นความร่ำรวยนะความมั่งมีใครๆก็อยากได้นะแต่พอได้ไปแล้วก็จะพบว่ามันก็ไม่ใช่หลักประกันแห่งความสุขได้โชคแล้วมีความทุกข์ก็เยอะยิ่งเป็นโชคที่มาเร็วๆมากๆนี่ั้งทีมันน่ากลัวนะอย่างคนที่ถูกรอตตอรี่ ถือว่าขายที่ได้เงินเป็นสิบสิบล้านอย่ามีชาวบ้านคนหนึงขายนาได้นะสมัยเมื่อสิบก่อนเศรษฐกิจวิกฤตเนะี่ยขายนาได้ก็เงินเงินก็เป็นล้านนะก็ทะเลาะกันระหว่างตัวพ่อกับลูกนะพ่อนี้ซื้อรถยนต์ให้กับลูกชายคนโต แต่ว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้กับลูกคนเล็กนะเพราะว่าลูกคนเล็กนี่ไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าไหร่พ่อก็เลยไม่ค่อยชอบก็เลยซื้อให้แค่มอเตอร์ไซค์ลูกคนเล็กก็โกรธนะเพราะว่าพี่ชายได้รถยนต์ปิกอัพนะแต่ตัวเองได้มอเตอร์ไซค์ก็โกรธทะเลาะกับพ่อสุดท้ายก็ทําร้ายพ่อเนี่ยพอโกดทะเลาะมากๆกันก็ลงไม้ลงมือกันนี่เรียกว่าเกิดความ ไอ้โชคนี่มันกลายเป็นทุกขลาบไปมีที่อเมริกามีครอบครัวนหนึ่งประมาณสักเมื่อปีสองพันนก็คือเมือ่อสิบสิบสองปีที่แล้วนี่ถูกลอตเตอรี่เป็นสลากกินร่วมนะได้เงินประมาณร้อยล้านดอลลาร์ร้อยล้านดอลลาร์นี่ก็ประมาณถ้าเป็นเงินสมัยนี้ก็สามพันล้านโอ้มีความสุขน่าจะมีความสุขไปหลายชาติทีเดียว แต่ประกวมันไม่เป็นอย่างนั้นนะผ่านไป5ป้าปีผู้สื่อข่าวก็ไปตามดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีภรรยาคู่นี้นะปรากฏว่าเลิกกันเลิกกันผัวนี่ก็พอได้เงินก็ไม่ทำมาหากินเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นกินเหล้าจนติดเหล้าหนะ เสรแล้วก็ตายเพราะโรคเล่าส่วนเมียก็ไปอยู่คฤหาสน์นะสร้างคฤหาญใหญ่โตจะอยู่คนเดียวนะแล้วก็คือไม่คบค้าสมาคมกับใครเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนที่คบมาคบค้ากับตัวนี่หวังเงินหรือเปล่า แล้วก็ไม่คิดจะติดตออ่อใครด้วยเพราะกลัวเขาจะมาไถาเงินแล้วคงคิดว่ามีเงินมากๆากนี่ก็มีความสุขล้วไม่ต้องคบใครก็ได้ก็เหงานะเงาแล้วก็อยู่ไม่นานก็เสียชีวิตนะเรียกว่าตายทั้งสองคนเลยคณะที่มีเงินมากมายที่จะอยู่ได้จนตายแต่พรากฏว่าตายก่อนที่เงินจะหมด อันนี้ก็เรียกว่าเจอทุกขลาบเหมือนกันนะพอได้เงินแล้วนะชีพมันเปลี่ยนไปแต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้เปลี่ยนไปในทางร้ายก็เยอะทะเลาะเบาแหวงกันเพราะว่าแย่งเงินแย่งทองกันหรื อ, อเลิกรากันเั่นพรที่เราอยากจะได้นะให้เราแน่ใจว่ามันเป็นความสุขจริงหรือเปล่า ้ากว่ามันให้ความสุขจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่หนีออกจากประสาทนะไม่หนีออกจากราชวังเพราะว่าทรงมีทุกอย่างทรัพย์สมบัติอำนาจแม้กระทั่งครอบครัวบริษัทบริวารก็ยังขาดแต่ว่าหลับประกันในการมีอายุยืนนะต่น้องนั้นมีหมดแต่ก็ พราะว่าไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะให้ความสุขแต่อย่างแท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตว่ามีสมาธิมีสติมีความสงบไหมแล้วก็อยู่ที่ปัญญาว่าเข้าใจความจริงของชีวิต จนไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าใจไม่สงบจิตยังมีความยึดติดถือมั่นะมันมีอะไรก็มากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจสักทีก็จะรู้สึกพร่องรู้สึกขาดตลอดเวลายิ่งต้องยิ่งมาแล้วลึกได้ว่าต้องเจอความป่วยความเจ็บความตายด้วยแล้วหรือความแก่นี่ก็ไม่มีทางที่จะ มีความสุขได้เพราะจะมีแต่ความวิตกกังวลจนกว่าใจนั่นแหละที่จะวางหรือยอมรับความจริงในสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ไม่ทุก